สวัสดีครับพี่น้องครับไดยินเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิเยซูหนึ่งร้อยหกสิบปดตอนข้อแกะสองพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบนะครับพระธรรมยอห์นบทที่สิบข้อที่เจ็ดจนถึงข้อที่สิบแปดพระธรรยอห์นบทที่สิบข้อที่เจ็ดจนถึงข้อที่สิบแปดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย บรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะก็มีได้ฟังเขาเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปในทางเราผู้นั้นจะรอดเขาจะเข้าออกแล้วจะพบอาหารขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ ผู้ที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะไม่เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราดังที่พ่อดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพ่อดา และชีวิตของเราเราสละเพื่อแก่แก่อื่นซึ่งไม่ได้เป็นของข้อนี้เราก็มีอยู่แก่เหล่านั้นเราก็ต้องถา ม, มาด้วยและแก่เหล่านั้นจะฟังเสียงของเราและจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวด้วยเหตุ น, นี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิที่จะรับคืนอีกคำํำชับนี้เราได้รับมาจากาพระบิดาของเราี่น้องครับเพราะว่าจะน่าพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่สิบนะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งซึ่งเรื่องไปเม่อานี้นะครับจนถึงข้อที่สิบเ็ดนี้นะครับถือว่าเป็นคลาสสิกคลาสสิกของผู้เลี้ยงนะครับในอุดมคติครับนะฮะแลวก็ ในตั้งแต่ข้อที่ยี่สิบเจ็ดไปนะครับจนถึงข้อที่สามสิบนั้นก็จะเป็นพระบรมพีที่สนับสนุนนะครับหลักศาสนาที่สำคัญในเรื่องของการได้รับความรอดแล้วความรอดนั้นไม่อาจสูญหายได้นะครับเขาเรียกว่า eternal security นะครับในประเด็นนี้ผมอยากจะได้ใช้เวลาอื่นๆนะครับในการอธิบายต่อต่อไปแต่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้เข้ามาดูในเรื่องของคาอุปมา เรื่องผู้เลี้ยงแกะที่ดีนะครับหรือว่าข้อแกะนะครับตอนที่สองข้อแกะตอนที่สองเนี้นะครับเราพบว่าพระเยซูได้ใช้คำอุมานี้ตั้งแต่ในข้อที่เจ็ดจนถึงข้อที่สิบหครับเราเห็นหลักความจริงประการแรกก็คือพระเยซูตรัสว่าพระองค์เองนั้นทรงเป็นประตูของแกะในข้อที่เจ็ดบรรยายเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะที่คอยเฝ้าอยู่หน้าประตูข้อแกะครับและคนเฝ้านี้ ป้องกันไม่แกะหนีออกไปในเวลากลางคืนและคอยป้องกันไม่สัตว์ป่าเข้าไปทําร้ายแกะเตียชูจับต่อในข้อที่เก้านะครับว่าเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปหาเราผู้นั้นจะรอดเขาจะเข้าออกและจะพบกับอาหารเตียชูกําลังอธิบายว่าไม่เพียงแต่โรงเป็นประตูของแกะนะครับโปร่งก็ยังเป็นประตูด้วยตัวประตูเองด้วยนะครับเพื่อนใครก็ตามที่เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเข้าทางนี้ก็คือทางประตูนี้ ก็หมายถึงโครงเองครับก็คือพระเยซูคริสต์ต้องเข้าทางประตูนี้เพียงประตูเดียวครับแล้วพระเยซูก็ตรัสเกี่ยวกับตัล ม, มานี้ว่าเราเป็นผู้เลียงที่ดีโครงตรัสเกี่ยวกับผู้เลียนแกะที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อผงแกะพี่น้องครับความจริงที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าผู้เลี้ยงแกะจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องสูงแกะของเขาผู้เลียงแกะจะต้องเดินกิโลเมตรที่สองหรือที่เรียกว่า second ร์ไม ผู้เลี้ยงแกะจะต้องมีชีวิตที่อุทิศถวายแต่พระเจ้าแด่พระเจ้าโดยผ่านทางการเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าเราเห็นได้ว่าในบทสานะครับดาวิด ต, ต้องต่อสู้กับสิงโตและหมีด้วยมือเปล่าเพื่อปกป้องแกะของเขาพวกเรานะครับซึ่งเป็นผู้เลี้ยงที่เลี้ยงทยี่ในกลุ่มแครกลุ่มเซลล์นะครับเราให้ฐานเผือลูกแกะของเรามากน้อยขนาดไหนครับเราได้ระลึกถึงว่าพวกเขานี่เติบโตมากน้อยขนาดไหนครับเรา ได้อุทิศชีวิตของเราเสียสละชีวิตของเราในการเลี้ยงดูฟูมฟักคนให้เติบโตในทางของพระเจ้าให้เขามีจิตวิญญาณที่พัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นขนาดไหนครับเราเองคือเป็นพ่อเป็นแม่เราได้เสียสละชีวิตส่วนตัวของเรานะครับเพื่อการร่ําเรียนการเรียนหนังสือของลูกแต่เราได้สละชีวิตส่วนตัวของเราในการพักผ่อนวันอาทิตย์พาลูกมาเรียนแล้ววีมากน้อยขนาดไหนครับ พี่น้องครับไม่เพียงแต่ดาวิดนะครับและพระเยซูก็จะต้องดูลูกแกะของพระองค์ปกป้องแกะของพระองค์และปกป้องแกะของเขายังมีขโมยทโจนอีกครับที่พยายามมาขโมยแกะเหล่านี้ด้วยยังมีสุนัขตาที่คอยติดตามผูงแกะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อหวังจะล่าเอาดวงวิญญาณของเขาหวังว่าจะขโมยแกจกินครับนะครบโอมนี้ ยังมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่ได้บรรยายถึงก็คือผู้รับจ้างผู้รับจ้างเลี้ยงดูแก่ครับพี่น้องครับผู้ยังแกะส่วนใหญ่จะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเรียนรู้ในการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีจากพ่อแม่ของเขานะครับผู้เล้งแกะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้พวกเขาเติบโตมาก็รู้จักชื่อแก่ครับเด็กชายตัวเล็กจะตามพ่อไปจะตามพี่ชายที่โตกว่าไปและเรียนรู้วิธีการเป็นผู้เลี้ยงแกะถ้าพี่น้องได้เคยไปเที่ยวอิสราเอล เราเห็นนะครับว่าคนที่เลี้ยงแกะนั้นก็จะมีทั้งพี่ทั้งน้องไปด้วยกันครับเขาจะพาออกพาแกะเข้าออกไปเป็นฝูงๆแล้วก็เลี้ยงอยู่ตามกิ่นทุร ก, กันดารที่มีหญ้าขึ้นน้อยบ้างมากบ้างนะครับจะเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ก็ขึ้นสุดแล้วแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กชายตัวเล็กจ่อไปพร้อมกับพี่ชายที่โตกว่าและเรียนรู้การเป็นผู้เลี้ยงแกะคนไหนที่ไม่มีลูกชายนะครับหรือไม่มีแกะหรือไม่เคยเป็นผู้เลี้ยงแกะมาก่อน เขาก็ต้องจ้างคนอื่นให้ดูแลแก้มเขาแทนนะครับแล้วคนเหล่านี้ครับก็เรียกว่าคนรับจ้างเลี้ยงดูแก่คนเหล่านี้ก็จะเป็นพวกที่สนใจแต่เงินทองครับเพราะว่าเขาเป็นคนรับจ้างเขาเป็นลูกจ้างนะครับถ้ามีสุนัขปลามาถ้ามีอันตรายมาถึงตัวถ้ามีความรู้สึกว่าตัวเองนี้ไม่ไม่คุ้มที่จะสละอะไรเพื่อลูกแก่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ผู้รับจ้างพวกนี้ครับกจะเหวี่ยงตัวรอดหมดครับถ้าเราสังเกตนะครับในข้อที่สิบสาม ผู้รับจ้างนั้นไม่สนใจแกะเลยนะครับเพราะที่สามอันนี้ครับว่าเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่ขูมแกะเลยนะครับแปลพระเยซูกลับกันครับคนเลี้ยงแกะที่ไม่ดีผู้รับจ้างไม่สนใจแกะนะครับผู้รับจ้างนั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ผิดนะครับผิดหัวผิดตัวครับข้อความที่กล่าวถึงผู้เลี้ยงแกะที่เป็นผู้รับจ้างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเราดูทางตีความหมายเรื่องนี้พี่น้องครับ ในข้อที่สี่เราจะเห็นครับว่าเมื่อเปรียบเทียบคนเลี้ยงแกะที่เป็นคนรับจ้างกับพระเยซูพระองตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเรารงคทรงรู้จักชื่อแกะของเราแต่ตัวนะครับในข้อนี้ทําให้ทางศีบาล น, นะครับหรือผู้เลี้ยงซึ่งจําเป็นที่จะต้องรู้จักชื่อของแกะหลายครั้งนะครับผมเองก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้รู้จักแกะของเราอย่างแท้จริงพี่น้องครับ จะเรียนแบบผมนะครับแต่ให้เรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์ครับเพราะว่าพระเยซูทรงรู้จักชื่อแกะทุกๆตัวการรู้จักนั้นไม่ได้หมายความว่ารู้จักถือเผินรู้จักว่านี่ชื่อนี้ชื่อนั้นนะครับแต่รู้จักไปจนถึงชีวิตของเขาในระดับลึกครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูบุงแก่ของพระเจ้าเราจําเป็นที่จะต้องเป็นชีวิตที่สัมผัสชีวิตเพราะฉะนั้นการหวังพึ่งทีม ง, งานศีบษนหรือผู้รับใช้เป็นเวลาอย่างเดียวไม่พอครับ แต่ว่าเรามีกลกไกรครับก็คือการสร้างสวบในกลุ่มแคร์การอภิบาลดูแลผินยานในกลุ่มแคร์ครับแต่ลักษณะ น, นี้เองเป็นคําตอบของการเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามระบบที่ดีเป็นระบบที่ดีมากพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวเรากลับมาถึงเรื่องราวในพระมทีเราแต่ละคนมีผู้ที่ดูแลชีวิตของเราส่วนตัวแล้วหรือยังเราได้เคยดูแลใครส่วนตัวบ้างหรือยังครับหลายลาคนก็รับใช้พระเจ้ามาหลายอย่างครับ แต่มนนีสิ่งสองสาสิ่งที่ไม่เคยทําก็คือยังไม่เคยนําใครรับเชื่อสองก็คือยังไม่เคยเลี้ยงดูใครให้เติบโตนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าเราเองนั้นได้เคยนําใครมารับเชื่อพระเจ้าแล้วหรือยังนะครับเราเองนั้นได้เคยฟูมฟักดูแลอภิบาลลูกแกะของพระเจ้าแล้วหรือยังเราเองนั้นมีใครที่ดูแลเป็นที่เลี้ยงเหมือนกับเราเป็นลูกแกะของเขาแล้วหรือยังพี่น้องครับ ในข้อที่สิบกนะครับเยซูบอกว่าแกะอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นค้อนี้เราก็มีอยู่พปกงกำลังพูดถึงพวกเราครับซึ่งเป็นคนต่างชาติคนที่ไม่ใช่ยิวคนยิวรู้สึกว่าพระเยซูทรงเป็นกรรษัตริย์ของพวกเขาแต่เพียงพวกเดียวเท่านั้นเขาพยายามที่จะ ก, กีดกันเราออกมาแต่พระเยซูไม่เคยกีดกันใครเลยครับพระเยซูก็ยื่นพระหัตถ์ของโปรงมานะครับต้อนรับเราทั้งหลายทุกคนที่เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า คนยิวนั้นไม่ต้องการพห้เยซูทำงานรับใช้ประชาชาติอื่นหรือศาสนาอื่นคนยิวไม่ต้องการให้คนได้รับความรอดแต่พระเยซูกลับกันครับพระเยซูทรงต้องการทรงมีความปรารถนาให้ชาวกของพรมรวมกันเป็นฝูงแกะนะครับเป็นแกะฝูงเดียวกันและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวข้าพีในข้อที่10บอกว่าแกะอื่นซึ่งมิได้เป็นของค้อนี้เราก็มีอยู่แก่เหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา และจะรวมเป็นฝูงเดียวและจะมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวพี่น้องครับอุปนาอุปมาในข้อพีตอนนี้นะครับทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาที่เกี่ยวข้องกับความห่วงใยนะครับในทิจักก็ได้พูดถึงแครพออานะครับก็คือห่วงใยขั่วนหน้านะครับก็เป็นการเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าอภิบาลลูกแกะของพระเจ้า เป็นการปกป้องแกะของพระเยซูใครก็ตามที่เข้ามาทางประตูนี้คือต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงพระผู้ช่วยรอดของเขาเขาจะเป็นแกะของพระองค์พระองค์จะทรงรู้จักชื่อของเราแต่ละคนแต่นายประตูก็คือผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลแทนผู้เลี้ยงนะครับนายประตูจะดูแลแทนผู้เลี้ยงพี่น้องครับหลายๆลครั้งทีเดียวเราทั้งหลายไม่ได้ทําตัวเป็น นายประตูที่ดีเราไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงเราไม่ได้ดูแลแกะของพระองค์อย่างดีในโลกของเราปัจจุบนันนี้เราจะเปรียบเทียบนายประตูนี้เหมือนกับเป็นศิษย์บานของทิศจักรครับหรือครูสอนข้อมพีในชั้นเรียนหรือบรรดาผู้ปกครองที่ดูแลทิศจกักรนะครับพวกเรามีหน้าที่รับผิดชอบนะครับสําหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเป็นผูงแกะของพระเยะซูที่บานอาจจะต้องรับผิดชอบสูงสุดในแง่ของการดูแลทั้งหมด องค์รวมนะครับแล้วกลับมาดูครับว่าพระเยซูคาดหวังว่าพวกเขาก็คือมาถึงพวกเราครับจะดูแลฝูงแกะให้กับพระองค์อย่าเป็นผู้รับจ้างดูแลนะครับแต่ให้เราเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนต้นเรือนในการดูแลแกะของพระเจ้านะครับเราจะต้องทําหน้าที่ในการดูแลปกป้องฝูงแกะสมดังที่ผู้เลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือพระเยซูได้มอบความไว้วางใจกับเรานะครับเราจงระมัดระวังสุนัขป่าและขโมย นะครับพวกชู้นักป่าและขโมยนั้นอาจจะเปรียบเทียบได้กับอิทธิพลต่างๆที่กำลังคุกคามหูแก่ของพระเจ้าพี่น้องครับในหูแก่ของพระเจ้าในขึ้นจักรของรเางองรเานั้นมีอะไรครับที่เป็นสิ่งคุกคามหูแก่ของพระเจ้านะครับเราจะต้องปกป้องตู้แก่ของเราให้พ้นจากอิทธิพลเหล่านี้นะครับกาจัดอิทธิพลคุกคามเหล่านี้นออกไปครับขึ้นจักของเราในปัจจุบันนี้ต้องการนายประตูที่ดีก็คือต้องการศิษยาบาลที่ดี ต้องการผู้ปกครองที่ดีต้องการผู้ที่ดูแลที่จักที่ดีนะครับเพื่อดูแลผู้เฒ่แก่ของพระเจ้าสีบานคนเดียวไม่สามารถดูแลความต้องการของแกะทั้งหมดได้ครับโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเมื่อผูงแกะนั้นมีขนาดใหญ่บางครั้งที่จักจะแบ่งผูงแกะนั้นออกไป็มอบหมายให้คณะมรรคนายกให้ทีมงานงสีของสีบานนะครับหรือผู้ปกครอ ง, องผู้รับใช้พระเจ้านะครับแต่ละคนนั้นจะรับผิดชอบครอบครัวในทีจัดที่ต้องดูแลเกษียณเมื่อเขาป่วย เขาหายไปจากทิศจักรเขาหาเหินทิศจักนะครับรวมทั้งครูละวีครับที่สอนละวีกากศึกษากับเด็กๆหามว่าเด็กคนไหนนะครับไม่ได้มาเรียนละวีสองสามครั้งแล้วเราจะต้องโทรสอบไปหาเขาครับเราต้องดูแลฝูงแกะซึ่งเป็นเด็กละวีของเราเราจะต้องคุยและรู้จักกับแม่ของเด็กละวีเหล่านั้นพ่อแม่ของเขานะครับคนที่มีฝูงแกะอยู่ภายใต้การดูแลทุกคนนั้นจะต้องสอนเพิ่มพีให้ได้จะต้องนำในการศึกษาเพิ่มีให้ได้ เราจรึงจะสามารถมีรถแก่เราจะต้องสามารถที่จะให้คําปรึกษาดูแลเขาได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซู ต, ต้องการให้เราทําขอพระเจ้ชาช่วยเรานะครับในการดําเนินชีวิตในเช้าวันจันรนี้เพื่อที่เราทั้งหลายจะเตรียมตัวเข้าสู่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าซึ่งเป็นวันใหญ่ในเทศกาลรั บ, รบสเสด็จนี้พี่น้องครับจะจะให้พวกเราได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อคนที่เราจะนํามาเพื่อที่เขาจะเข้ามานะครับในการนมัส ก, การในการประกาศ ในการนำวิญญาณเพื่อที่คริสต์มาสนี้จะไม่เป็นคริสต์มาสที่เสียไปเปล่าๆอีกปีหนึ่งขอพระเจ้าวอวยพรด้วยเมตตาขอทรงนำชีวิตของพี่น้องทุกท่านในการทำงานในการเริ่มต้นวันทำงานในสัปดาห์ใหม่นี้อาเมน